ทุกชนทุกบริษัททั้งหลายตอนนี้ขอให้ชื่อว่าสรุปกรรมควายคําว่าสรุปมาเท่ารวมกรรมควายชั่วกรรมควายที่ตาเข้าไปตามสนองเรื่องนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทพอจเข้าใจได้หีือย่างว่าขึ้นเชื่อว่ากฎของกรรมไม่มีใครสามารถจะหลีกเลี่ยงได้ ขอัยลืมบอกวันที่ไปวันที่ที่บันทึกวันนี้วันที่ยี่ิบเก้ามกราคมสองพันห้าร้อยิบสาสาสิบสามขอโทษวันที่ยี่เก้ามกราคมพศสองพนห้ารอยสามิบสองเนี่ยสมองคนแก่มัคกอดีอย่างนี้บรรดาญาโจมพุทธบริษัทเรื่องกรมควายที่บรรดาท่านพุทธบริษัทได้บันทึกมาแล้วสองตอน ตอนนั้นรู้สึกว่าจะ เ, เรื่องของท่าลานเข้ามาแทรกอยู่มากทั้งนี้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทก็โกรดทราบว่าสมองคนแก่มันเสื่อมอย่างนี้ท่านอยากจะฟังเรื่องให้ชัดเจนแจ่มใสเรื่องกำรรข้องควายก็บังเอิญมีงานใหม่เข้ามาแทรกและกอบกับวันนั้นป่วยหนักมากมันก็เฟือ มาตอนนี้เมื่อคืนนี้บรรดาท่านพุทธริษัยเขาป่วยมากไม่กันตอนกลางวันไม่เครียดคณะพิศนุโลกคือมีุโยมสรรผู้ก่อนโยมเกศรินผู้ก่อนเป็นหัวหน้ามากันมากมาทอดกะป่ากันมากถ้าทุกคนส่วนใหญ่ถวายสังฆทานเห็ยนญาติโยมพุทธไวสัทถวายสังฆทานก็ตื้มใจมาก พอถวายเสง ก, การสังฆทานมีอานิสงส์มากปิงกรณีพิเศษปัจจัยของทุกท่านเป็นปัจจัยที่นำมาเพื่อการก่อสร้างถ้าววัตถุคือวิหารฐานในาศาสนาสพระองค์สมเด็จพระบรมโลกระเชิก็มีอานิสงสง์สูงเติมความบบรดาท่านพทะบริษัทขึ้นที่วรกฏของกรรมอย่าหาทางหลีกเลี่ยงเลยไม่สา ม, มารถจะหลีกได้ ถ้ากล่าวกันว่าการชําระนี่กฎของกรรมให้กรรมหมดไปก็เป็นเอธธรรมไม่ได้เหมือนกันแมต่ในสมัยพระองค์สมเด็จพระพัวันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสมบัติบัพพชจน์อยู่สาวกขององค์สมเด็จพระบรมครหกสิบลูกเศษจะต้องฆ่าตัวตายองค์สมเด็จพระจอมไทก็ไม่สามารถจะชําระกฎของกรรมให้ได้ แล้วก็ทรงเทศพจะมีความดีสูงมีนิพิทายายความเบื่อหน่ายในร่างกายเมื่อเบื่อหน่ายในการเกิดในที่สุดก็ฆ่าตัวเองตายบ้างแย่งคนอื่นฆ่าบ้างตายแล้วก็ไปนิพานหมดอันนี้ก็เป็นการบรรดาลท่านพุทธบริษัทการทําบุญเพื่อชาระนิยกรรมเนื้อแท้จริงๆไม่ใช่ชาระนิยกรรมเป็นการทําบุญให้มีกําลังสูงกว่าบาป ท, ที่เราทํามาแล้ว ชาตินี้ยังไงยังไงบาปก็ให้ผลเพราะว่าเมื่อซิ้นชีพไวชนไปแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทบาปส่วนนี้มันยังไม่หมดจะไม่สามารถจะตามไปได้เราก็รอยชายไปสวรรค์กันบ้างไปร่มโลกกันบ้างปานิพานบ้างเพความว่าวันนี้ก็ป่วยมากเหมือนกันเมื่อคืนนี้ก่อนจะหลับเวลาหกทุ่มมันปวดขามากประเสรนะ้ฐโปวดตั้งออเสียว ก็วันนี้ก็วันพรุ่งนี้เขาจะล้างท้องให้ก็ไม่เป็นไรคราวนี้ก็ทํางานให้ก็มาทํางานให้ไม่โรคเป็นกําเริบต่อไปอีกคือมันทิ้เสียงต่อมานี่ก็ในเวลานี้ก็หมดเวลาไปก่อนห้านาทีก็มาคุยกันโดยย่อว่าคืนวันที่ยี่สิบสองมกราคมสองพันห้าร้อยสามสิบสองเวลาประมาณหกโมงเย็นจะเทว่าเป็นคืนก็ไม่ได้วันก็ไม่ได้ จะถือว่าเป็นกลางวันคราที่ก็หายไปแล้วเจะถือว่าเป็นกลางคืนแสงสว่างก็ยังอยู่เรีย ก, กว่ากลางวันหรือกลางคืนก็ตามใจบรรดาญาโยมพุทธบริษัท <c oughs> นอนภาวนาอยู่ปรากฏว่ามีความรู้สึกว่าจิตออกจากร่างไปนอนอยู่ที่ตึกเก่าๆตึกใหญ่มากตึเก่ามากใกล้จะ พ, พัง ในตึกนั้นปรากฏว่ามีพระยงย์หนึ่งเป็นพระสงฆ์ท่านนั่งหาง่างจากที่นอนต่านด้านหลังออกไปประมาณสิบเมตรประมาณนะถ้ามาก็นอนอยวบนเตียงหันแตแคงขวาหันหลังให้ท่านเวลานั้นก็ปรากฏว่มามีบรรดาญาโยมพรทธยรัตวหนุ่มมั่งสาวมั่งแก่มั่งก็ไม่เลือกบุคคลนำเข้าของมาถวายไม่จํากัด เป็นอาหารการบริโภคบ้างเครื่องใช้สอยบ้างเครื่องปัะดับบ้างค่าคือประดับก็สูงมากรู้สึกมากมายมากคิดว่าคนสักร้อยคนก็ขนกลับไม่ไหวเมื่อท่านจะไหวกันแล้วก็มีความรู้สึกในใจว่าถ้าเวลาเรากลับวัดเราจะนาไปได้ยังไงคนเดียวเราแบกไม่ไหวต่มีคนมาสักร้อยคนก็ไม่สามารถจะขนหมด ในฐานะที่เคยฟังคําแนะนำของสมเด็จพระบรมสุคติเ <c> ม <oughs> ื่อชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเมื่อบุคคลเราตายไปแล้วทรัพย์สินต่างๆเราไม่สามารถจะนําไปสู่โลกอื่นได้แม้แต่ร่างกายเป็นที่รักเราก็ไม่สามารถจะนําไปได้ก็คิดในใจว่าตามปฏิปทาเดึมของเราในสมัยที่มีชีวิตอยู่ ทรย์สิ่งเกิดที่ไหนให้อยู่ที่นั่นนั่นคือเวลาไปวัดไหนไหนก็ตามถ้าเขาถวายจะตประจเรื่องของใช้ตามสงคนสิ่งใดที่เขาไม่จำกัดแต่เ้าจำกัดเพรว่าสิ่งนี้ต้องไปสร้างที่วัดท่าสงและสิ่งนี้ต้องไปใช้ที่วัดท่าสงอย่างนี้อามาวัด <c oughs> ถ้าเขาไม่จำกัดก็ให้อยู่ที่นั่นเว่าทราบสิ่งเกิดที่ไหนก็อยู่ที่นั่น เมื่อคิดอยนี้แล้วกิดว่าในเมื่อบริบถาตามธรรมดาของเราเป็นอย่างนี้ของถ้าเกิดขึ้นที่นี้ก็จะอยู่ที่นี่สำหรับบุคคลผู้รับจะเป็นใครก็ไม่เรื่องเขาบุคคลนั้น <c oughs> เวลานี้เราก็มีใครเราเป็นตัวคนเดียวในห้องนี้เบื้องหลังไปก็มีพระองค์เดียวเวลานี้นก็มีความรู้สึกว่าปวดจถายอุจาระ ขันมีความรู้สึกว่าต้องการถ่ายวิชาละเกิดขึ้นก็มีความรู้สึกว่าเห็นภาพควายควายตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังเขาข้างๆมี <c oughs> อยู่ข้างหลังแล้วก็มีคนคนหนึ่งแล้วต่อไปก็มีความรู้สึกคล้ายแขนโอกแรดจนแน่นก้าตัวธรรมาแล้วก็มือหนึ่งกำปั้นอัดอยูที่ท้องท้องทวันหนักไม่ต้องการให้ถา่าย อาการปวดอุจาระก็ปวดหนักขึ้นอยากจะลุกไปถายอาจาระแต่ก็ลุกไม่ขึ้นเจ้านั่นรัดหนักยิ่งขยับตัวไปขยับตัวมาทัา้งลื่นมันก็ดิ้นไม่ไหวเนียแต่แท่ขยับ <c oughs> ในที่สุดก็คิดหันหลังไปได้เจ้าควายก็หายไปคนก็หายไปสรุปแล้วความจริงควายกลายเป็นคนก็มีความรู้สึกภาในใจว่านี่มันเรื่องอะไรกัน ที่นี่มันกุติพระคายเข้ามาได้ยังไง <c oughs> และเจอคนคนนี้ก็มีรูปร่างดำๆเพลยวเครงหน้าตาไม่สวยปากแหวง่งตรงจมกูกมาแหว่งมากโหนฟันฝนขาดไปเลยตรงนั้นไอเห็นเขา้เขาๆฮูบเลยแล้วเขาก็หายไป <c oughs> คิดไม่ออกว่ามันเรื่องอะไรกุติพระคายเข้ามาได้ยังไง ก็บกคนคนนี้เป็นใครก็ไม่ปรากฏตนอีกเห็นแต่พระนั่งอยู่องค์เดียวเมื่อมีความสงสัยเวลานั้นก็มีความรู้สึกว่ามีเสียงปรากฏแ้วบอกว่าคว่าควายควายตัวนี้ไม่ได้ควายจริงๆไม่ได้เข้ามาในห้องนี้ควายเข้าไม่ได้แต่ภาพควายนั้นมันเป็นกฎของกรรมในควายก็นึกในใจว่าชาตินี้เราไม่เคยฆ่าควาย กำคอยจะมาจากที่ไหนเสียงนั้นเธอก็บอกว่าชาตินี้ไม่ได้ฆ่าแต่ชาติก่อนๆเธอค่าเมื่อคืนนี้เธอดูหนังตัวโทรทัศน์แภาพยนตร์ในโทรทัศน์เรื่องสงครามก้าวทัพเพื่อเปล่า <c oughs> <c oughs> ก็เรียนตอบเสียงนั่บาเปล่าเพราะว่าตามบทีตัวตะข่าวเมื่อข่าวจบแล้วก็เลิกกันเพราะคุณแก่ความเป็นคนแก่มีอะไรก็ไม่สนุก ถ้กิเสียงนั้นถามว่าเห็นไหมว่าสงครามเก้าทัพต้องใช้คนเป็นหมื่นถ้าจะนำอาหารมาเลี้ยงทาหารจะใช้อะไรใช้ปลาหรือใช้หมูมันก็ไม่พอต้องใช่วัวใช้ควายด้วยก็เรียนถามได้ว่าข้าก้าผมตั้งใจเกิดมาในชาตินี้ก็หลังจากสงครามเก้าทัพมันานก็ไม่ได้มีโอกาสไปร่วมสงครามเก้าทัพ แห้กษัตริยหม่นั้นเคยเกิดร่วมสงครามเก้าวทัพแล้อมีส่วนในการเลี้ยงอาหารด้วยหรือเสียงตอบไดบว่าฉันไม่ได้หมายความว่าต้องควบคุมสงครามเก้าวทัพฉันให้ดูสงครามเก้าวทัพเป็นตัวอย่างไมหมายความว่าสงครามเก้าทัพเขาต้องเลี้ยงแบบไหนแต่ว่าเธอเกิดมาทุกชาติในอดีตเว้นชาตินี้ชาติเดียวที่ไม่ได้ควบคุมของทัพ บางชาติเธอก็เป็นแม่ทัพใหญ่บางชาติเธอก็เป็นแม่ทัพรองบางชาติเธอก็เป็นพ่อเมืองต้องทําการรบทุกชาติต้องฆ่าสัตว์ประชีวิตเรียสหารในกองทัพต้อขฆาคนเมื่อกาพย์เรียนถามวา่าในเมื่อกรำรมันหนักขนาดนี้การที่จะบวชเนรชําระนีไ้ไก่หนึ่งร้อยยี่สิบสามองค์ก็บทชชีพราหมณ์ แปดสิบองค์โดยใช้นักเรียนประจำนักเรียนประจำชายเธอสมัครร้อยยี่สิบสามองค์เพื่อบทเนียนักเรียนประจำหญิงเธอสมัครแปดสิบคนสมัครหมดนักเรียนชายจะขายไปสามคนก็ไม่สมัครสามคนเดิมทีเดียวตั้งใจว่าจะบดแค่เก้าองค์สิบองค์หรือว่าเธอสมัครหมดก็ยอมรับบดหมด ถามว่ากดข้องกรรมคือการทําบุญอย่างนี้จะเอาที่นี้จะควายเป็นการมาเทาโทษได้ไหมไม่ใช่บอกว่าเขาเห็นว่าเธอทําบุญอย่างนี้นะสิยงเขาจึงมาถ่วงด้วย <c oughs> ความจริงกรรมคึ้นควายบรรดาท่านบริษัตทให้โทษมาตั้งแต่พศสองพันห้ารอยยี่สิห้าเดือนมิถุนายนมันป่วยแล้วก็ตายอุจาระไม่ออกล่างก็ไม่เคอยออกให้การเครียดอย่างนี้เป็นมาห้าหกปี ถ้าเวลานี้ก็ยังไม่ไขตัวนักมีส่วนายตัวบ้างตามลมโคลได้ยังไม่มากนักส่วนหนักจริงๆอยู่ที่ทองแต่ความจริงเข้าลงโทษทีแรกหมดตั้งร่างกายเราสาดทุกส่วนของร่างกายไม่มีดีเหลือเกิดถามท่านแต่ว่านอกจากก่อนของกรรมของขวายแล้วจะมีกรรมอะไรอื่นมาแทรกแซงมาเบียดเบีนอีกไหมท่านบอกว่ามีเยอะเธอไม่ได้ทําบาปครั้งเดียว เธอทําบาปหลายคราวในชีวิตหนึ่งแล้วก็ผ่านมาหลายชีวิตบาปต่างๆก็ต้องทําตามรงเธอกลับความจริงเสียนั้นไม่ทราบแต่ส <c oughs> เ, สเสียงของไข่จริงกลับเปลี่ยนสายเสียงว่าถ้าอย่างนั้นใน่อกรรมมันหนักก็จะครอบลอยร่างกายมันตายไปเลยดีไหมเสียงนั้นก็ตอบว่าไม่มีผลเรืางานของฉันยังไม่เสร็จ ฉันต้องการให้เธอทำงานของฉันให้เสร็จเรียบร้อยฉันจะสั่งงานไปทีละหน่อยๆเพียงกว่างานจะเป็นที่พอใจของฉันและก็เมื่องานเสร็จแล้ ว, ลวเธอก็ยังจะตายไม่ได้อย่างน้อยที่สุดเธอจะต้องอยู่ช่วยสอนกรรมฐานอีกไว่น้อยกว่าสิบปีก่อนแต่ถ้าบังเ อ, อิญร่างกายสามารถจัดทรงทนต่อไปได้ก็ให้อยู่ต่อ แต่ถ้ามันมีความจําเป็นจริงๆถ้าร่างกายมันจะโผลจะฟังจริงๆพิงจะปล่อยให้ตายเธยสงสัยว่าเสียงนั้นเป็นเสียงใครเสียงนั้นก็ตอบมว่าเธออยากจะทราบว่าเสียงเป็นเสียงของใครเวลานี้ไม่ต้องรู้ชื่อว่าเสียงของใครจะรู้โดยเพียงโดยย่อว่าเสียงพ่อของเธอก็เป็นอันว่าสบายใจไปเสียงนั้นบอกว่าวอดเวลานะฉันลาละไม่คุยต่อไป เร่เสียงนั่นก็หยุดตอนนี้ขอเตือนบรรดาท่านพุทธบริษัทที่จะมบอกว่าต้องสร้างเสียงนั้นฉบอกว่าต้องสร้างให้เสร็จตามที่ฉันต้องการท่านต้องการขนาดไหนบ้างอาตมาก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าไงการที่สร้างต่อทีละหน่อยต่อทีละหน่อยทําที่นี่จนเสร็จจบต่อตรงนู้นเวลานี้ก็เริ่มเริ่มอาคารนี้เป็นทางเดินกว้างสี่เมตร รอบรอบติดตามกับแพงเงา้อยไร่ใช้่ระยะทางหลายกิโลเพื่อประโยชยน์ใหญ่กวบรนดาท่านพุทธวิสัที่มาในวัดซึ่งท่านให้เหตุผลว่าเวลารถจอดทุกคนอันดับแรกหวังที่พักชั่วคราวได้เวลานี้ลงจากรถแล้วไม่รู้จะไปไหนถ้ามีอาคารยาวเป็นทางเดินแบบนั้นมีทางชั้นชั้นล่างและชั้นบนสองชั้น ้าเป็นสะานสองชั้นกว้างสี่เมตรนั่งพักก่อนได้สบายหรือว่าเวลากลางคืนเด็กตดเวลาถึงใหม่ๆ <c oughs> ก็คิดว่าถ้าจะเข้าที่พักก็สิเวลาบ้างกว่าจนที่จะจัดเสร็จนอนตรงนี้ก็ยังนอนได้ด้วยการเหนียยังสร้างความปลอดภัยกับดารรดราดทังหลายที่มาเพราะคนเข้าออกได้แพ่แค่สองประตูสัต์ตคือขโมยทางานยาก นี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นความประสงค์ของท่านแต่ท่านบอกว่าต้องสร้างเสร็จเมื่อสร้างเสร็จทางยาวแล้วท่านก็บอกว่างานเล็กๆจะมีต่อไปอีกตรงความว่าเวลาเสร็จไม่แน่นอนเมื่อเสร็จจุดใหญ่นี่แล้วเสียงบอกว่าต้องสอนกรรมฐานอีกสิบปีถ้าร่างกายดีพอทรงโตได้ให้อยู่ต่อก็ลงความว่าคํานี้บรรดาท่านพุทธบริษัทย่าไว้วางใจนะัก จงจำไม่ว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงเด็ดความตายเป็นของเที่ยงชีวิตเป็นมนมิตรหมายความตายไม่มีิมิตรชีวิตเหมือนกับเอามีดซึ้วเอานิ้วกรีดน้ำเป็นรอยเดี๋ยวก็าหายไปชั้นใดการเกิดของมนุษย์บรรดาท่านพุทธวิสัทธ์หลายจะตายเมื่อไรก็ได้ <c oughs> ความต้องการของท่านมีขนาดนั้นแต่ความสิ้นของอายุท่าเกิดขึ้นมาเมื่อไรเขาต้องตาย ฉะนั้นทุกคนจงอย่าคิดว่าธรรมาจะอยู่นานให้คิดว่าอาจจะตายไว้เสมอจะได้มีความไม่ประมาทก็คุยกันต่อไปเมื่อเสียงนั้นม้วพูดเสร็จหมดหมดจากคาพูดก็ไม่มีจิตอื่นรู้สึกว่ามีแรงพอสักคนก็ลุกจากที่นอนไปหาพระไปคุยกระาท่านเข้านั้นมีผิวคล้ำรูปร่างลำล้ำสันท้ายคน อายุประมาณสี่สิบปีไม่ทราบว่าใครไปถึงท่านไห้ชวนคุยเรื่องเล็กๆน้อยๆตันมาท่านก็นหาเรือท่านหาเรือว่ามีญาติโยมด้านใต้เข า, าเขากุดบ่อเลี้ยงปลาเพื่อมาปรึกษาว่าท่านยังไงปลาจึงจะโตเร็วปลาจึงจะไม่มีโรคและจะขายปลาได้ราคาดี เมื่อฟังแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ของพระพระมีหน้าที่แนะนําให้บุคคลเว้นแต่การฆ่าสัตว์ตาชีวิตถ้าเขาจะเลี้ยงเพื่ออบุญให้ปลามีความสุขหนา้าจินการสมควรแต่นี่เขาบอกแล้วว่าเลี้ยงเพื่อขายเลี้ยงเพื่อขายก็หมายถึงว่าเลี้ยงเพื่อฆ่าส่งไปเพื่อควายถึงความตายส่งไปหามือเพแต่ฆ่าก เพราะศัต์สมัยใหม่เขาเดวส่งเข้าไปส่งไปหาแลงแก่งคือที่คฆในเมื่อก็ส่งพาะเบหให้พระเจ้าฆาดระเจ้คาดก็ต้องคาดจิงคิดในใจว่าพระท่านจะไม่น่าจะคิดอย่างนี้ท่านจะตอบว่าไม่ควรตอบจะเป็นบาปก็จะรู้สึกคนสังารไม่ดีจะเป็นการหากรารซึ่งกันเองจิงบอกท่านว่ากผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เขารับ เรื่องเลี้ยงปลานี่ไม่เคยศึกษามาก่อนเพราะอยู่กับพ่อกับแม่ก็ทาสวนมีนามีสวนนาก็มีไป ม, มากไม่เคยทำนาสวนก็มีไม่น้อยแต่ก็สวนไม่เคยทำเคยทำสวนจริงอยู่สามป <c oughs> ีการเลี้ยงปลาฆ่าสัตว์ผมไม่ทำมาตั้งแต่เด็กปลาในท้องล่องผมเลี้ยง แต่กระผมก็ไม่เคยยอมให้ใครมาจับไปขายเพราะนั้นเรื่องการเลี้ยงปลายไปขายที่มันดาท่านท่านเอาลายท่านเขรับผมไม่มีความเข้าใจเมื่อถามว่า ต, ตอนนี้เท่านั้นท่นก็หนิงต่อมาเมื่อคุยกันเสร็จทั้งตอนนี้ก็มีความรู้สึกปวดอุจจาระมากก็เห็นคนหลายคนนั่งอยู่ผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างเห็นพด่อนลอคืนคงดี ที่เธอปฏิบัติอยู่เนี่ยอยู่ในแวดล้อมนั้นโดยที่บอกว่าพอนุษยตรงข้อปฏิจาระมากหาที่ถ่ายที่แต่ก็บอกว่าเรารู้จักส้วมเป็นตามไปไอ้ส้วมก็อยู่ในบริเวณกุฏินั้นเองกุฏิใหญ่แต่ว่าเป็นห้องโถงไม่มีฝาปิดประตูเปิดเรียกว่าบันฝาด้านหนึ่งเปิดทั้งหมดมีส้วมโถอยู่ ถ้าไปในที่ใต้ขโมกขโมวจะมีคนหลายคนถ้าไป น, นั่งคนทุกคนที่นั่งในก็มองหมเห็นแต่บังเ อ, อิญพอเดินเข้าไปเขาปรากฏว่ามีนอนคนนอนคุมโปงอยู่คนหนึ่งคลุมนิสนิกที่ผ้าไม่หนานักคล้ายๆจีวรช้าแต่เก่ามากที่เขาถามว่าใครนอนอยู่ตัวเสื้อผ้จริงๆที่ป็นคนตายที่เขาวางไว้ถ้างในขโมกขโมวา ก็ปรากฏว่ามีคนบอกว่าหลงชิดแก้วแดงท้าสุดก็ก็เจ้าของน่าจะของภาพกว่าก็เปิดหน้าขึ้นมาเห็นเป็นหลวงชิดจริงๆเตะไม่ถนัดนักก็บอกกับทุกคนแระบาดพอนักว่ า, วาที่ตรงนี้หลงพ้อไม่ถ่ายละเพราะมันลุ่งเกินไปส้วมกว็ไม่มีน้ําฟ้าเปิดตั้งฟ้าไม่จะเปิดประตูอย่างนี้ไม่เหมาะอาการถ่ายมีที่อีกไหม เธอก็ตอบว่าหนูรู้จักที่มีที่แห่งใกล้ๆกันเป็นห้องส้่มเล็กๆไปห้องส้มธรรมดาไม่ถูกพร้อมหรือสะอาดเรียบร้อยและเก่าเหมือนกันเธอก็เดินนำเธอเข้าไปในส้วมก่อนคือเข้ามาเข้าไปห้องเล็กๆเธอเนํำเข้าไปก่อนแตมาเดินามไีหลังเข้าห้องผิดมันเป็นห้องเล็กเหมือนกันห้องขนาดเดียวกันแทนที่เป็นห้องส้วม มันกลายห้องเป็นทางเดินลงนรกที่ปปันดาท่านพุทธวิษัทอย่างนี้ก็เพราะาอาการเป็นอย่างนี้ขนาดที่แกเข้าห้องนั้นก็มีผู้ชายสองคนผู้ชายสองคนมีรูปร่างหน้าตาสวยผิวขาวน่าตัดผนสรงอรทุ่มตัวเต่งใส่เสื้อเรียบร้อยหน้าตาดีมากคนหนึ่งเดินติดตัวไปเลยอีกคนหนึ่งอยู่ห่างประมาณหนึ่งวาเดินตามไปไม่กัน เมื่อเข้าห้องเล็กแล้วก็เดินไปเดินไปเดินไปห้องขอเล็กเข้ามาทุกทีเพื่อสุดเดินตรงพื้นที่มันมันลงต่ํามันลาดลงต่ําพอลงต่ําไปแล้วก็ปรากฏเป็นช่องเป็นหลุมใหญ่ก็คิดว่าไอ้ส้มนี่ทําไมมันอยู่เล็ ก, น, กนักก็เดินตามลงไปเดินตามลงไปแล้วปรากฏกดว่าไอ้ดิงข้างบนมันหล่นไปตกตัวบ้างเป็นจุดลงไปห้องเราแคบเข้ามาทุกทีเพื่อสุดแคบ ลงได้แต่ขาสองขาแค่เท้าไม่ถึงคนขาส่วนใหญ่ลงไม่ได้เมื่อส่วนใหญ่ลงไม่ได้คนที่เดินที่เดินติดตัวไปก็จับตัวยกขึ้นมาแต่ความเจียงไม่รู้สึกว่าหนักท่านก็เระคองขึ้นมาข้างบนพื้นท่านก็บอกว่าคนที่คุณจะเข้าสวมในความจียงห้องนี้มันไม่ได้สวมมันเป็นทางลงนรก ถ้ามันเนทางเป็นทางลงนรกงงแล้วก็ที่ลงไปไม่ได้รู้ว่าบาปที่เป็นสิ่งที่เป็นบาปของคุณยังตามไม่ทันทำให้ผลไม่ได้มันให้ผลได้แต่เศษกรรมที่มีความทุกขเวทนาในร่างกายเท่านั้นบาปทั้งหมดไม่สามารถจะให้ผลงกุ้งให้ผลลงนรกได้แต่ว่าที่จะมีอาการแสดงอย่างนี้เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ ที่คุณไปคุยกับพระแล้วพระเพ่อนคุยเรื่องการเลี้ยงปลาว่าญาติโยมทิฏไตมีการเลี้ยงปลาขุดบ่อเลี้ยงปลาทำวิธีการแบบไหนปลาจึงจะอ้วนปลาจึงจะไม่เป็นโรคจะขายได้ราคาดีเพี <c oughs> ยงปลารบเท่านี้นหะคุณแล้วคุณก็ตอบไปเสร็จว่าความความรู้อย่างนี้ไม่มีผลเพราะผมไม่มีความรู้มาก่อน เพียงแค่นี้เขาว่าชี้บอกว่าถ้าคิดไม่ดีมันต้องลงนรกถ้าไปแนะนําเขาเลี้ยงอย่างนี้มันอ้วนนะยอย่างนี้ไม่เป็นโลกจะหายได้คาดีสแสดงว่าเป็นการร่วมทําบาปของเขาอย่างนี้คนต้องลงนรกแน่แต่ว่าบังเอิญคุณปฏิเสธแต่ว่าที่ต้องลงหลงุมเพราะคุณเข้าไปเกิดโขกและสิ่งโขกโขกคือสิ่งที่เป็นบาปพระพระพระองค์นั้นพูดเรื่องเป็นบาป เมื่อพูดเรื่องเป็นบาปคนนั่งอยู่ด้วยไอกลิ่นบาปมันก็เข้ามาถึงท่านมือประมาทฟั ง, ฟงเขาคล้ายๆกับว่าคนเราถือใบอใบอลใบอใบ อ, บอนลี่ความจริงเป็นใบไละเอียดไม่ไม่สามารถจะมีอะไรซึมเข้าไปได้ไปเอาสุนัขเน่าเข้ามาใส่ที่ใบบอนความเน่าน้ำเหลืองจะไม่ไหลเข้าซึม เ, เขาม้าเ น, น, นื้อเข้าใบบอนเมื่อโยนสุนัขเน่าที่ไปแล้วกลิ่นเหม็นก็ติดใบบอนฉันใด เรื่องบาปกรรมอกุศลก็เมือนกันคุณไปคุยเข้าให้แสดงว่าถ้าคุณน้อมใจไปกับกับพระอนั้นคนลงนรกในเวลานี้คุณไม่น้อมใจไปกับท่านคุณก็ไม่ต้องลงนรกแต่เขาก็ได้ให้ปลกดังถึงแม้จะไม่ลงก็ชนลงหน่อยหอยแล้วเพราะกิ่งกิ่งขนรกติดตัวพ <c oughs> ล้วกระแสบาปเข้ามาติดตัวเหมือนกิงความเหมือนติดไปปอดฉะนั้นระบรรดาท่านพระธรริษัททุกท่านเรื่องนี้ก็ไม่ขอขไม่ขออธิบายเรื่องบงนญอกศล ทุกคนก็ควรทราบว่าสิ่งใดที่ก็ทำเพื่อเป็นบาปถ้าเราเข้าไปสังคมสมาคมโดยไม่จะไปน้อมใจไปกับเขาสิ่งนั้นเราสามารถจะทำให้กจยของเราหมอ ง, มองลงอามบายผอมได้พระดัรดาท่านพระตรัสสัจธรลายเวลาเหลือเพียงแค่สามสิบินาทีก็จะหมดเวลาที่ต่างไว้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสิิพิัฒนะมงคลสมบูรณ์ผ ล, ผ ล, ผล จงมีแดบันดาเป็นพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี